เข้าพระสมมาบัตินี่หมายคำว่าผู้ที่ได้โสดาปติผลเนี่ยเสวยความสุขที่ ท, ที่ได้มรรคผล mm hmm. นะ mm hmm. เช่นพารยาบุคคลที่ได้มรรคผลท่านก็เสวยความสุขในการเข้าพระสมมาบัติของท่าน mm hmm. เหมือนอะไรท่านก็บอกว่าเหมือนพระราชาเสวยความสุขในราชสมบัติเป็นต้นเนี่ยนะ ท่ีน ก, ก็สามารถเข้าได้แต่จะเข้าได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ส ป, ปายะได้อื่นๆแต่ว่าท่านมีความสามารถเข้าได้เข้าได้ไหมเข้าได้ไม่ไม่น่ามีปัญหา <c oughs> แต่ทีนี้สําคัญว่าได้ส ป, ปายะพอไหมล่ะ <c oughs> ถ้าระหูกิจจาก็ยากถ้าช่วงไหนไม่ระหูกิจจาก็อาจจะทำได้นั่นช่วงไหนลูกไม่กวนมากก็อาจจะได้ กในลูกของลูกอีกเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดผูกครองเรือน ซึ่งธรรมะที่เป็นพาเวตปรธรรมนะธรรมะที่ที่ต้องเจริญจริงๆเนี่ยของเราก็ดูสนใจกันค่อนข้างมากแล้วนะครับกับเทียบกับเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนนี่สนใจแต่ไอปรินญาธรรมเนี่ยเพราะมันแยกอะไรไม่ออกเลยนะตอนนี้ชักแยกอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ชักเห็นภัยของกิเลสอยากจะเจริญมกกั่กนะลักษณะนั้นมันจริงๆแล้วธรรมะเป็นไปตามลําดับจริงๆไม่มีใครข้ามขั้นได้ความสนใจก็เป็นไปตามลําดับอนะ สมมติถ้าไม่รู้เรื่องขันห้ามาเลยจะละกิเลสอะไรมันก็ต้องแยกขันห้าก่อนเอ๊ขันห้ามันไม่ดียังไงหรือมันเกิดจากไหนโอ้จากกิเลสนะเอาแล้วจะละกิเลสมันได้ยังไงต้องมาเจริญธรรมะนะจริงๆแล้วธรรมะเป็นไปตามลําดับจริงๆถ้ากล่าวตามสติปัฏฐานพระ อ, องค์ก็แสดงไปตามลําดับด้วยตอนแรกพระ อ, องค์ให้พิจารณากายที่สองพิจารณาจิตสามพิจารณาธรรม ะ, อะสองเวทนาสามจิต พอสี่นี่คือธรรมะนี่ขึ้นด้วยนิวรณ์ก่อนอันนั้นเป็นกลุ่มสมูทยัยทีนี้พอผู้ที่พิจารณานิวรณ์นะนิวรณ์เกิดที่ไหนก็เกิดในขันท่าก็ให้พิจารณาขันท่านะนี้ขันท่าเป็นอย่างนี้ขันท่าเกิดเพราะเหตุเหล่านี้ความดับขันท่าเพราะดับด้วยอาการแบบนี้เนี่ยนะเสร็จแล้วก็มาทําปริญญาต่อไปอีกในลักษณะเชื่อมสองสิ่งเนี่ยเข้าด้วยกันว่า ทุกษัตริ์กับสมุทยศัตริ์มันถูกมันมัดร้อยรัดกันไว้อย่างไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นอายตนะบัพพะ <c oughs> แต่เมื่อรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่สนใจต่อไปคื อ, อจะเจริญกุศลให้มันมากขึ้นได้อย่างไงทํำยังไงจะเจริญกุศลได้มากขึ้นต่อเนื่องขึ้นเนี่ยนะอย่างที่ยอมมาปรารถเมื่อคือนว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะเจริญได้มากอไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็เรียกว่าเริ่มสนใจที่เป็นปหาตประธรรมอขอไป ภาเวตาประธรรมธรรมะที่จะต้องเจริญจะต้องบำเพ็ญซึ่งถ้ากล่าวไปแล้วก็มีการเข้าใจมาโดยลำดับแต่ไม่ใช่ขึ้นว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยและมาถึงก็บอกว่าจะมาขอเจริญละ ง, งั้นเถะจะมาขอปฏิบัติละไอบอกไม่อยากหรอกแต่ว่าทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเลนยบอกว่าชั้นแรกคุณอยากปฏิบัติใช่ไหมบอกใช่ คุณอยากอิรยาบดนั่งไม่ได้นั่งนั่งบนโต๊ะนะแล้วก็เอาพระไตรปิฎกมาวางไว้ต่อหน้าแล้วก็พลิกอ่านไปเรื่อยๆก่อนตรงไหนหน้าจาก็จำตรงไหนน้าจดก็จดนะนะตรงไหนน้าท่องก็ท่องท่องจาแล้ว จ, จดแล้วก็เอาไปคีดต่อบ้างนะ่งี้นก็ค่อยต่อไปอีกท่องเรียนอยากจะทราบจริงว่าอาอยากอยากรู้สั้นๆรู้ว่างไงนะอาจารย์เขาบอกว่า ความตกระว่าการเจริญสมถะวิปัสนาท่าทไออืมอไรไมอ่อสมถะวิปัสนาในท่าสีต่างกันยังไงต่างกับอะไรหมายคราว่าเจริญคือท่าสีเป็นวัตถุดิบเจริญพิจารณาท่าสียังไงเป็นสมถะพิจารณาท่าสียังไงเป็นวิปัสนาก็ อําคำสัส e like yeah. ออ้นๆที่ใบสั้นๆอ๋อสั้นๆน้วยนงก็สมถะเป็นสมาธิวิปัสนาเป็นปัญญาบางันสมถะวิปัสนาเจริญคู่กันธาตุสีเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะแค่เนี้ยสั้นนะไปเจริญนะ ทำได้หรือเปล่าบอกบอกไม่ยากเลยนะ <c oughs> ต่อไปนะมาขึ้นปุพหะวัคที่ห้าหน้าสามร้อยสิบนะสังยุตนิกายขันธวรวักนะก็สูตรที่น่าสนใจก็สักก็คงอาทิตย์นี้คงจะจบอ น, นะในขันธวรวักเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ขึ้นบพะอื่นเลยในนาทีสูตรเลยนะกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายแม่นม้ำไหลไปจากภูเขาพัดเอาหญ้าใบไม้และไม้เป็นต้นไปภายใต้ไหลไปสู่ที่ไกลมีกระแสอันเชี่ยว อันะถ้าคนอื่นอาจจะนึกไม่ออกผู้การนึกออกของธรรมาก็นึกออกอันน้เพราะน้ำมันบ่าขึ้นมาเลยนะฝนตกมากน้ําบาที่กุฏิเนี่ยบาประจําไม่ใช่บากุฏินะคือบาดน้ํำในตรงที่ข้ามกุฏินันะเห็นต้นเหลาทั้งหลายที่เพิ่งเกิดขึ้นริมต้นเหล่านะี่ต้นเหลาทั้งหลายเพิ่งเกิดขึ้นที่ริมฝั่งทั้งสองข้างแห่งแม่น้ํานั้นต้นเหลาเหล่านั้น คงย้อยลงไปสู่แม่น้านั้นบ้างถ้าเป็นที่กุฏิก็ไอย้ยาไอ้ต้นไม้อะไรที่มันอยู่ข้างๆนะมันก็จะย้อยลงไปในน้ำระหว่างที่น้ำมันจะคือถ้าน้ำบาบามากๆนะมันจะพัดลงอ่ะน ะ, ม, น ะ, ม, นะมันจะมันจะม้วนม้วนตัวลงน้ำหมดแล้วมันจะไหลไปหญ้าคาทั้งหลายเพิ่งเกิดขึ้นหญ้าคาเหล่านั้นคงย้อยไปสู่แม่น้านั้นบ้างหญ้าที่ ที่ตรงรีสอร์ทนี่ยากอะไรนะพวกกันยากโคหรือยากอะไรนะอนะยากโคเนี่ยถ้าฝนเออถ้าน้ํามันบ่ามันจริงนะยากโคเนี่ยมันราบลงลงที่น้ําเลยนะแล้วมันจะบาไปทีนี้ถ้าน้ำมันมันบ่ามานานนะมันจะค่อยคหลุดไปทีละต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นแล้วมันหลุดเป็นกอเลยก็มีนะมีอยู่ปีหนึ่งมันหลุดมากระแทกที่นั่งฉันเมื่อก่อนนี่ไหมเทมากนั่งฉันริมน้ําเลยนะเราก็นึกไปมีปัญหาอะไรมั้ยนั่งฉันริมน้ํานี่แหละ ดูดีด้วยมาถึงบินตบาดฉันกับล้างๆแถวนั้นแล้วก็ขึ้นกุฏิเรียบร้อยเลยนะแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงตอนพอมาอีกวันหนึ่งนะไอ้ที่นั่งฉันมันแทบหายไปหมดเลยขวดน้ำขวดอะไรเก้าอี้หายไปละเนี้ยนาทหมดน้ำน้าป่ามันเอาไปเกลี้ยงเลยขวดคงหายไปหล า, ายขวดนะผ้าเช็ดบาดเสืออะไรหายไปเยอะเลยอ่ะนี่แหละก็เพราะมันอยู่ริมน้ำใช่ไห แล้วก็ใบไม้ที่เห็นอย่างหนึ่งคือพวกต้นไม้ที่อยู่ริมน้ําที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะพัดมาแล้วมันซัดจุกคือมันเป็นเศษให้เห็นอยู่ชัดๆเลยว่าเออเนี่ยมันเป็นร่องรอยของน้ําไหลเห็นไหมพวกหญ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหญ้าคมบางเพิ่งเกิดขึ้นหญ้าคมบางเหล่านั้นคงย้อยไปสู่แม่น้ําบ้างต้นไม้ทั้งหลายเพิ่งเกิดขึ้นต้นไม้เหล่านั้นก็คงเอ็นไปสู่แม่น้ํานั้นบ้าง คี่เหล็กต้นใหญ่ๆเนี่ยลงเลยอะอยว่า่าว่าต้นเล็กๆนะต้นมันคนโอบก็ยังลงอ่ะทีนี้บุรุษเมื่อถูกกระแสน้ำนั้นพัดไปเนี่ยนะบุรุษถูกกระแสน้ำไอ้น้มามันนั้นมันพัดเนี่ยในพรรษาที่แล้วเนี่ยของมาได้ลองชิมดูละปีก่อนนู้นเดินข้ามเขาเลยลูกนึงว่าเราก็นึกว่ามันเดินไม่ยาก น, นะที่ไหนได้บาปนิ้ต่อเลย ฟ้าบาเนี่ยตกลงมาเลยเดินขึ้นแล้วลื่นก็ลื่นเนี่ยนะแล้วก็นึกว่าตรงนี้ไม่เท่าไหรเราขึ้นเขาเป็นลูกๆเลยอ่ะว่าจะข้ามมาได้บอกตีหลังลนะน้ําประวัติศาสตร์ซ้ําอีกบอกเอ้ยทำไมขึ้นละเอาใหม่เชือกเราก็มีไว้โยนเชือกไปไว้ฝั่งโน้นแล้วดึงเชือกไปเลยนะดึงเชือกมาเลยพี่วิจารณ้ยอมมาเลยอ่ะบอกยอมฝ้ากุฏิอันนะ รายการวันอาทิตย์นี่โหดมากในพรรษาบ้านคุณจุศรีคาเขานี้วัดเจดีย์หลวงเนี <c oughs> ่ยนะทีนี้ถ้าถ้าคิดไปนะพอฟังสูตรนี้ไอตอนที่ลอยน้ำเนี่ยมันเห็นชัดถ้าใครอยู่ในกระแสน้ำนะดีว่าวันนั้นมั น, ม, นมันคิดจับเชือกว่าจะมีเชือกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จับเชือกมันถึงมันจะพัดไปยังไงมันก็ยังจับเชือกอยู่ แต่ทีนี้ถ้าคนปกติที่ไม่มีเชือกเลยอะตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะคว้าอะไรอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอไอต้นไม้ใบหญ้าที่มันอยู่ริมฝั่งเนี่ยคนก็จะอาศัยจับพวกพวกต้นไม้เหล่านั้นแหะไม่ว่าจะเป็นหญ้าคาหญ้ามุงกะตายหญ้าคมบางเนี่ยนะหรือว่าต้นไม้บ้างหญ้าคาเป็นต้นเหล่านั้นก็จะพึงหลุดไปบุรุษนั้นก็จะถึงความพินาศอันมีการหลุดนั้นเป็นเหตุ แม้ฉันใดใครที่จับต้นไม้ถ้าต้นไม้นั้นมันหลุดอ่ะมันก็ต้องหลุดอยู่แล้วนะเพราะปกติมันอยู่ริมน้ําน้ําน้ํามันซอกเอาดินไปด้วยรากมันจะโผล่โผล่โผล่แล้วมันก็หลุดพอหลุดเองก็น่นแหละถ้าเป็นตามเขาทั้งหลายที่หนักตัวอย่างหนึ่งคือมันจะพัดไปชนสะพานเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างที่สองอ่ะนะมันจะมีท่อนทุงพัดมากับน้ําด้วยเนาะท่อนทรงมันซัดเองอแหละ และอย่างที่สามถ้าไม่มีอะไรเลยก็นู่นแหละตกทะเลนั่นน่ะลงปากอ่าวไปเลยบุรุษนั้นก็ถึงความพินาศฉันใดเนี่ยนะอันนี้เป็นอุปมาขึ้นครั้งแรกนะเป็นสูตรที่อุปมาก่อนดูก่อนพิกูุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันนั่นแหลเนี่ยนะปุตุชนในโลกนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคนที่ไม่ได้สดับ ปุถุชนที่ไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคําแนะนําคือไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัตว์บรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บรุษไม่มีวินัยของสัตว์บรุษเนี่ยนะแนะนำตัวนั้นมาจากวินีโตหมายถึงวินัยเนี่ยนะคือไม่มีวินัยทั้ง10ประการของสัตว์บรุษเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตามีรูปบ้างอัตตาในรูปรูปเห็น รูปในอัตราเนี่ยนะก็ทิฐิทั้งหลายแหลที่ไปจับมันนะก็ว่าบุรุษที่อยู่ในกระแสน้ําจับต้นหญ้ากับปุุชนที่ยึดในรูปไม่มีความต่างกัน น, นะถ้ารูปนั้นของเขาเนี่ยย่อยยับไปเขาจักถึงความพินาศอันมีความ ย, ย่อยยับนั้นเป็นเหตุ <c oughs> ใช่ไหมคือบุรุษที่ตกอยู่ในกระแสน้ํา จับต้นไม้ที่อยู่ริมน้ําที่มันเป็นต้นเล็กๆต้นหญ้าแล้วก็หญ้าคมบางด้วยเนี่ยพวกหญ้าคมบางนี่มันบาดจริงๆด้วยแล้วบาดแบบไม่รู้นะถ้าอยู่ในน้ํานะมันจะบาดพอขึ้นน้ําแล้วจะรู้เลยว่ามันคันเนี่ยนะจะเห็นเป็นร่องรอยการบาดจะมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกที่ติดในรูปเนี่ยนะหรือยึดถือรูปเป็นสาระว่า ง, งั้นเถอะยึดถือรูปเป็นอัตตาหรืออัตตาเนี่ยอยู่ในรูปพวกที่ยึดถือในลักษณะนี้ถ้ารูปเหล่านั้นมันเสียหายไปอะ่ะพวกนี้ก็ย่อยยับมันนะ กเสียใจเป็นอย่างมากปุถุชนนั้นตามเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตานี่มีเวทนาบ้างเห็นอัตตาในเวทนาบ้างเห็นเวทนาในอัตตาบ้างนะพวกนี้ก็พอเวทนาเหล่านั้นเปลี่ยนไปอะไรเกิดก็ทุกก็เกิดอีกผู้ที่ยึดถือสัญญาพอสัญญาเปลี่ยนไปก็ทุกอีกผู้ที่ยึดถือสังขาร พอสังขารเหล่านั้นเปลี่ยนไปก็ทุกข์อีกผู้ที่ยึดถือวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณเหล่านั้นเปลี่ยนไปเขาก็ทุกข์อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณของปุตุชนเหล่านั้นย่อยยับไปเขาจะถึงความพินาศอันมีความย่อยยับนั้นเป็นเหตุอันนี้ประกาศทุกขลักษณะนะว่าขันห้านี้มันเป็นอย่างนี้ผู้ใดก็ตามที่ยังยึดขันห้าผู้นั้นก็จะถึงความย่อยยับจะถึงความพินาศ นนพี่นาศนี้สัมนวนสัมนวนนี้คำนี้อาจฟังไม่ค่อยหนักนะแต่ว่าจริงๆแล้วหนักมากคำว่าพี่นาศนี้พี่นาศขนาดไหนก็ภัยพี่นาศทั้งหลายในวัตฏะนะเกิดจากการยึดถือขันห้าทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราเห็นสัตว์ในอาบายอย่างหนึ่งเห็นผู้ที่เสียหายเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในโลกนี้นะให้รู้ว่านั่นแหละเป็นผลของการยึดขันท่า ถ้าเขาไม่ยึดขันห้านะทุกเหล่านี้ของเขาจะไม่มีเลยหเห็นคนชารานะเออเนี่ยนะถ้าเขาไม่ยึดขันห้ามาก่อนนะเขาจะไม่ชาราแบบนี้หรอกเห็นหมดอย่างเงี้ยถ้าไม่ยึดในขันห้าไม่เป็นมดตรงเนี่ยเห็นเดรชานอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันเห็นคนทุกทั้งหลายก็เหมือนกันนี่เพราะการยึดขันห้าของเขานะผลของการยึดในขันห้านี่แหละทําให้ทุกเหล่านี้มันมีะ มันเข้าเลยมาพินาฏมาเสียหายของเราถ้ายึดแบบนี้ก็ลักษณะเดียวกันโยนิพระองค์ก็ถามตามหลักปริวัตรสามเลยรอบแรกก็ถามว่าเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะ่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะนี่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ละคลายความยึดถือในในรูปอันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอ้ที่ไปจับไปยึดเนี่ยเที่ยงไหมสิ่งที่เรายึดเราจับอยู่เนี่ย ก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ประจักษ์ค่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไอ้ความยึดอันนั้นแหละมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายคือเพราะเหตุไหนเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยนะ ขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลทั้งหมดนั้นก็คือขันเหมือนกันหมดขันเหล่านี้เธอก็ไม่พึงเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราว่าือนกันอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตก็ หลุดพ้นพระจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วเนไหมการแสดงแบบนี้เป็นการแสดงอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเนี่ยขันคือทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือเป็นวิธีการแสดงสติปัฏฐานอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมจริงๆก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละไม่ได้มีความต่างอะไรเลย คนจริงได้ยินคาําว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงโดนมากเราจะนึกว่า เ, ออเราเข้าใจแล้วลูกมันไม่เที่ยงอ่ะเมื่อกี้ตอนนี้เป็นเด็กเมื่อปีที่แล้วว่ายังไม่แก่อย่างนี้ปีนี้มาแก่ปีหน้าต้องแก่แคล้ายๆเราเข้าใจแต่ความจริงเนี่ยความจริงเราผิวเผินมากเลยถ้าเราไม่รู้ปัจจัยนะเราจะไม่ทราบจึงในคํานี้เด็ดขาดเลยมไม่มีทางเลยแต่<ะ>ว่าเบื้องต้นก็รู้ว่าเแี่ ชีวิตแต่ละปีแต่ละปีมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยมันก็ชราไปเรื่อยๆนะก็บอกว่าอันนี้ถามว่ารู้ทุกไหมรู้แต่ว่าไม่พอเนี่ยรู้รู้แต่ว่าไม่<า>มพอร<า>ู้ผิด แ, แต่ถามว่าดีไหมที่ที่คิดแบบนั้นบ้างก็ยังดีมากเนี่ย น, นะคิดแบบนั้นเนี่ยดีมากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นบาตรที่จะได้พิจารณาต่อไปว่าอรูปแต่ละปีจริงๆก็คือรูปแล้วแต่ละปีปีที่แล้วมันได้อศรราศัยปัจจัยอะไรบ้างล่ะเนี่ยนะที่อยู่อย่างนั้น ดำรงแบบนั้นแล้วปีนี้ปัจจัยไหนบ้างน่นนะเมื่อปัจจัยเหล่านั้นนนั้นเปลี่ยนไปขันทั้งหลายเหล่านี้ก็ก็เปลี่ยนไปอีกมันอย่าว่าอยู่เท่านี้เลยนะเพราะขันเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยแม้ในอดีตมันก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้อนาคตต่อไปขันเหล่านี้มันก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยแล้วปัจจัยมันมีอะไรมันคงทนบ้างอนะเว้นอารามณปัจจัยที่เป็นนิพพานนิพพานเป็นอารามณปัจจัยเสียปัจจัยอื่นๆนะ เนี่ยเหมือนหญ้าริมน้ําหมดเลยนะเชื่อไม่ได้เรียกว่าพึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัจจัยเองก็ก็ต้องอาศัยปัจจัยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเช่นการเห็นสีนะจกักขูวิญญาณเนี่ยมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะจกักขูวิญญาณมันไม่มั่นคงอะไรหรอกเพราะ อ, อะไรเพราะมันอาศัยสีแล้วสีละ่ะสีก็เกิดจากปัจจัยอีกอาศัยมหาพูดมหาพูดก็ต้องอาศัยปัจจัยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะไอตัวปัจจัยที่ทําให้มหาพูดเกิดก็อาศัยปัจจัยอีกครั้งหนึ่งเนีน่ยนะ มันก็เลยไม่มีความมั่นคงขาววอนอะไรอย่า ง, างแท้จริงอันทุกอย่างถือว่าเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนี้เป็นของที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีเสถียรภาพไม่มีความมั่นคงไม่มีแก่นอ่ไม่ไม่เพียงพอที่คนมีปัญญาทั้งหลายเข้าไปเพลดิดเพลินในสิ่งนั้นอันนะปัจจุบันยังเห็นพิจารณาขันภายนอกเนี่ยเห็นได้เสมอเสมอ เห็นคนอ้วนผิดปกติผอมผิดปกติเราจะรู้เลยเนี่ยอาหารและปัจจัยคนนี้ถ้าจะหนักอยู่ ห, หรือว่าเอนี่กรรมมาปัจจัยนี่คงจะคงจะเกี่ยวกับวาจาเมืองเนี่ยคหัวรไปเตี้ยไปผอมไปหรือว่าผิดปกตินี่นะ ห, หรือว่าเออบางครั้งเราเห็นเขากำลังอยู่ในอารมณ์ร้ายหรืออารมณ์เสียนี่เราเราเห็นอ้วน <c oughs> จิตเป็นปัจจัยยังมีโอกาสให้ได้คิดให้ได้วิเคราะห์คันคนอื่นได้เป็นทั้งภายในทั้งภายนอกก็ต้องเอามาวิเคราะห์ทั้งทั้งหมดนะนั้นผู้ที่หมั่นวิเคราะห์หรือหมั่นเจริญบ่อยๆนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมในาศาสนานี้ขึ้นต้นด้วยความ เข้าใจใครที่ไข้ครวญมากพิจารณามากคนนั้นก็ก็ปฏิบัติมากเนี่ยนะเพราะว่าทิฐิอันนี้แหละเป็นทิฐิที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นหนทางที่ทําให้ถึงความพ้นทุกข์ทิฐิอันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าสัมมาทิฐิเนี่นะเป็นความเห็นที่ตรงต่อความเป็นจริงทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เห็นตรงตามเป็นจริงเลยอนี่ยมันจะเสียหายตรงไหนเอา อ้าสมมุติว่ามันทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นรูปไม่งามถ้าฉันจะเห็นว่างามล่ะมันเสียหายหรือเปล่าอ้าวถ้าบอกว่าเวทนาเนี่ยมันไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สุขจริงๆนะมันทุกนะโดยมากมันทุกเอ้าฉันจะหาแต่ความสุขอะจะเป็นอะไรเลยนะสังขารทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายมันไม่เที่ยงฉันจะว่ามันเที่ยงอ้าสรุปว่าฉันจะตามเห็นขันเนี่ยว่าเที่ยงว่าสุขกว่างาม ว่าเป็นอัตตาว่าเราว่าของเราอ่ะมันเสียหายตรงไหนเนี่ยนะสมมตินะถ้าถ้าเราจะลองเขราวาคิดแบบคนพาลขึ้นนะนะคิดแบบอโยนิโสเน่นะแล้วเดินตามทางของอโยนิโสเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ก็บอกว่านั่นแหละภิกษุทั้งหลายการเข้าไปใคร่ครวนด้วยอโยนิโสมนัิการแบบนั้นนะนะเข้าไปเห็นว่าด้วย นี่เรานี่ของเรานี่อัตตาของเราเห็นว่ารูปนี่ยงามเวทนานี่ก็สุขจิตก็เที่ยงธรรมะก็อัตตาสรุปว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราความเพลิดเพลินก็ก็เกิดขึ้นใช่ไหมความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยมาจากอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยทาให้อะไรเกิดก็กายกรรมและวจีกรรมกับมโนกรรมันผู้ที่เพลิดเพลินในขันหนะ เช่นเพลิดเพลินว่ารูปประคันงามเนี่ยจะอยู่นิ่งๆเลยเนยะไม่นึกไม่คิดไม่อะไรเลยมีไหมไม่ได้ก็ต้องกรรมสามก็เข้ามาเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผู้ที่ติดข้องในขันห้าเรื่อนหน้าตันหามานะทิฐิเนี่ยนะกรรมที่เขาทำโดยมากเป็นกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นอกุศลซะส่วนใหญ่ ทีนี้ถ้าอากุศลเนี่ยมีผลถ้าผลเหล่านั้นนำเกิดเนี่ยปฏิสนธิควรเป็นที่ไหนเนีย่ยนะไม่เป็นายที่เหลือแล้วขันมันจะบอกมันเองว่าฉันเนี่ยมันทุกข์นะคุณเนี่ยเข้าใจผิดในตัวฉันเองอะนะมาหาพูดมันจะประกาศเลยว่าเตโชธาตมันทำกิจมากใช่หร้อนอย่างเดียวปทวีธาตมันทำกิจมากแข็งกระด้างอย่างเดียวะนะ อาโปธาตทํากิดอย่างเดียวเนี่ยเยิมเลยนะแทบจะเน่าไปทั้งตัวหมดนะวายโยธาตทํากิจเข้าเนี่ยแทบสํานวนว่ามันแข็งทื่อแข็งกระด้างหรือบางอย่างเนี่ยมันแตกมันร้าวมันฉีกมันเสียหายเลยนะเดี๋ยวขันมันจะสอนเองมหาพูดมันจะสอนถ้ามหาพูดมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเวทนาขันมันบอกที่ว่าคุณที่ว่ามันสุกมันไม่สุกจริงนะนะที่เหลือทุกมันจะปรากฏแคับนี้ ฟันดีๆนี่มาให้มันปวดดูเธอเนี่ยนะแล้วจากแล้วคืนนั้นจากนอนไม่หลับเนี่ยนะไอที่ทานอาหารอร่อยเคี้ยวอะไรก็กรอบไปหมดเนี่ยนะทำมันปวดแล้วคืนนั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่รู้ยาเนี่ยนอนไม่หลับกับคืนนั้น วายโยธาทากิจมากก็วาโยธาเนียวาโยธาที่มีอุตุเป็นปัจจัยอุตุมันเบียดเบียนก็วายโยธาก็ทากิจเต็มที่เนี่ยก็ไม่ได้ยึดเดี๋ยวขันห้ามันจะสอนให้ แต่ว่ามันจะเข็ดหรือเปล่าใกเรื่องนะอีกสูตรหนึ่งนะปปพ ส, สูตรกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วมาตรัสว่าดูก่รภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่กล่าวขัดแย้งกับโลกแต่ชาวโลกกล่าวขัดแย้งกับเราตถาคตเนไจริงไหม พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้พูดขัดแย้งต่อโลกอะไรเลยแต่ชาวโลกเนี่ยพูดขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอ่นะพระพุทธเจ้านี้ที่ว่าไม่พูดขัดแย้งกับโลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะโลกอะความจริงของโลกคำว่าโลกคืออะไรอุปาทานขันห้ากันใช่ไหมพวกเนี่ยพูดไม่ขัดเลยว่าโลกเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยนะหรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย พง์เนี่ยพูดไปตามความจริงของของโลกแต่ชาวโลกเนี่กล่าวขัดแย้งกับเราตถาคตชาวโลกก็บอกไม่จริงงามพระเจ้าข่าประมางกั้นนะก็สมัยพุทธกาลเนี่ยน้องๆพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะเช่นพระนางรูปปนันทาเถรีเป็นต้นเนี่ยก็ไม่อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำไมอะ เพราะว่านางเนี่ยติดในความงามมากกันนะก็สัมมวนชาวโล ก, กบอกว่านางงามจริงๆอ่ะนะคือนางเนี่ยสวยจริงๆเสร็จ แ, แล้วเวลาไปฟังเทศเมื่อไหร่ก็บอกรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกรูปผมขนเล็บแยกะละเอียดละ อ, อไปหมดเลยนะฟังแล้วก็เอ๊ะมันตรงกันข้ามกับเราเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่ยึดติดว่างามพอไปฟังคําว่าไม่งามนี่มันทำใจไม่ได้ใช่ไหมท่านก็อันนี้ก็เป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งใช่ไหม คือขัดแย้งต่อพระพุทธชาวโลกเนี่ยพูดขัดแย้งต่อพระพุทธเจ้าบอกว่างามพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์นะบอกชาวโลกบอกสุขนะพรุทธเจ้าบอกว่า อ, อันนี้จังไม่แน่นอนอะไรหรอกบอกเที่ยงนะพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่อัตตาเนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยมันคือกองทุกข์มันอัตตานะแบบนั้นเลยแต่เขาเถียงเขาไม่ได้ไปเถียงต่อหน้านะเขาเถียงไว้ในใจของเขาแล้วเขาก็ไปคิดตามเรื่องตามราวของเขาเอ่ะนะแต่จริงเนีไอ สิ่งที่เราทําโดยมากนะให้รู้แต่ว่าพื้นฐานอยู่บนสี่ประการเนี่ยหนึ่งสุขสองเที่ยงสามอัตตาบ้างงามบั้งนะอยู่บนหลักการนี้ทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดนะวัตถุประสงค์ทั้งหมดนะถ้าสังเกตดูนะเมื่ อ, อไหร่ที่ไม่คิดถึงคําสอนนี่จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยอย่างเคยสอนเป็นงันไหมนะบางทีก็มันเขามันน่าจะยั่งยืนห่อนะอีกนานเนะนี่ยนะเนี่ยลักษณะเนี่ยเที่ยงเอ้มันก็สนุกดีนะมันก็มีความสุขดีออกอันนั้นก็เป็น สุ ข, ขะใช่ไหมอันนั้นก็กล่าวขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งเอ๊ะมันก็ของเรานี่อันนั้นก็ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดไม่ขัดแย้งต่อความจริงอะไรรองแต่ชาวโลกนี่นก็บอกแย้งพระพุทธเจ้าหมดมันไม่น่าคล้ายๆว่าไม่ค่อยเอาตาแบนะนัก็ไม่ค่อยยอมรับอยู่แล้วว่างั้นดูก่อนพี่สุทั้งหลายผู้กล่าวเป็นธรรมจะไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกเนี่ยนะผู้ที่พูดพูดถูกต้องนะไม่ขัดแย้งต่อใคร แต่ว่าคนที่พูดไม่ถูกต้องอ่ะนะมันจะไปขัดกับพวกที่พูดถูกต้องพวกนี้แผนกขัดคออย่างเดียวนะสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติสมมตุมมติคือบัญญัตินะนะสมมติในที่นี้หมายถึงบัญญัติว่าไม่มีแม้เราตถาคตก็ก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีคือความจริงของสิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าก็ว่าตามเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่มีเช่นว่าขันธ์ที่ยังมีไหมยอย่างเงี้ยนะ เพราะขันที่เที่ยงไม่มีหรอกเน like, ี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าขันเนี่ยไม่เที่ยงอันนี้คือสิ่งเนี่ยไม่มีเป็นต er? ้นอ่ะสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม enfin ่เราตถาคตกกล่าวว่ามีคือสมมุติในที่นี้คือพูดตามเป็นจริงอ่ะนะไม่ไม่ใช่สมมุติคือหลอกแต่หมายความว่าบัญญัติตามเป็นจริงอ่ะนะสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกเขาบัญญัติตามความเป็นจริงอ่ะพระองค์ก็พูดแบบนั้นพูดตามความเป็นจริงไม่ได้ไป ไม่ได้ไปขัดแย้งกับบัณฑิตอะไรอย่างอื่นเลยแบบนั้นเดี๋ยทีนี้นตั้งคาถามมาดูก่อนพี่สุทั้งหลายก็สิ่งที่บัณฑิตในโลกบัญญัติสมมติว่าไม่มีซึ่งเราก็กล่าวว่าไม่มีนั่นนะคืออะไรคือตัวจริงๆแล้วมันไม่มีด้วยคนมีปัญญาทั้งหลายเขาก็บอกว่ามันไม่มีแต่คนไม่มีปัญญาว่ามีเนี่ยนะที่มันขัดกันเนี่ยนะ รูปอะที่เที่ยงที่ยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราตถาคตก็กล่าวรูปนั้นว่าไม่มีเนี่ยนะข้อแรกก่อนนะรูปเที่ยงไม่มีหรอกสิ่งเนี้เป็นความจริงบัณฑิตเขาก็พูดอย่างนี้แล้วพระ อ, องค์ก็มาพูดแบบบัณฑิตเขาพูดอะนะนะก็กล่าวว่าจริงๆริอะรูปเที่ยงไม่มีหรอกเนี่ยนะนะมันไม่เที่ยงแต่ถ้ามันอยู่ได้อีกหน่อยก็ดีอย่างเงี้ย น, นะํานวณ ว, ว่า นะถ้าเป็นแบบรูปที่เป็นวัตถุทั่วไปนะเช่นใครมีลูกหรือมีญาติที่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มเป็นต้น น, นะนะตายถ้าอายุสักสิบกว่าสิบแปดหรือยี่สิบปีเนี่ยถแถวๆนี้ก็บอกว่าเขาเขาไม่น่ารีบตายเลยเขาเขายังเด็กอยู่ยังอายุน้อยอยู่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่างไงนะถึงอยู่อีกก็ไม่เกินร้อยปีก็ตายอยู่ดีนั่นแหละว่า ง, งั้นเพราะยังไงว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็น ที่สุดรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูป ท, ที่ที่เที่ยงอะไม่มีคำว่ารูปในที่นี่นะหมายเน้นเน้นเฉพาะรูปที่เป็นรูปที่มีวิญญาณครองอะนะถ้าว่าตรงตร ง, ตรงกัเราอนะ่ะแหละเที่ยงไม่มีหรอกอนะรูปทั้งหมดที่อยู่ในกายถ้ากล่าวถึงพวกเหล็กพวกหินพวกดินพวกทรายพวกปูนนะมันมันสมุลฐานเดียวนะมันมันจะเสื่อมค่อนข้างเห็นเสื่อมเนี่ยเร็วนะอย่างรถเนี่ยสัก รถที่เคยงามมากเมื่อ20ปีที่แล้วนี่เป็นยังไงมาตอนนี้มาวิ่งนี่สายโอ้โหอรรถโบราณ น, น่าดูเลยนะใครที่ว่ามีอะไรที่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยเอ๊ะถ้าถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็ยังดีขึ้นถามว่าเพราะอะไรสมมุติว่าถ้าเป็นรถนะอายุ50ปีกับมนุษย์อายุ50ปีเนี่ยรถอายุ50ปีนี่ดูไม่ไหวเลยนะแต่มนุษย์เนี่ยที่เรีว่าอายุตั้ง50ปียังดูดีอ่ะเพราะอะไร เพราะว่ารถเนี่ยสมุดฐานเดียวเนี่ยนะคือมันมีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่มนุษย์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นมีกรร ม, มชรูปสร้างตลอดกรร ม, มชรูปเกิดทุกอนุขณะใช่ไหมยอย่างหนึ่งอย่างที่สองจิตแต่ชรูปเกิดก็ทุกอุปาทัศขณะของจิตเวน้นทวิปัญจเนี่ยนะแล้วอาหารชรูปเข้ามาอุปธรรมอีกเนี่ยนะอุตูชรูปเบียดเบียนบ้าง น, นะแต่ว่าไอ้ที่เสื่อมก็เสื่อมไปที่สร้างก็สร้างตลอดเนี่ยนะ มันก็เลยยังดูเหมือนกับเหมือนเดิมเนี่ยนะแต่ว่าพวกรถเนี่ยมันสมุทฐานเดียวนะมีแต่เสือเส่อมเสื่อมเสื่อมเสืมไปหมดเลย